เดี๋ยวนี้วัดหลวงพ่อพระเยอะจองคิวกันข้ามปีมีเนนอยู่องค์วันนี้ไม่อยู่เนรพ่อแม่เป็นหมอนะแต่ไม่ให้ลูกเรียนหนังสือสอนเองเรียนนอกระบบรู้สึกระบบการศึกษาไม่ดี วันนี้เนนไม่อยู่เนนไปให้มหาวิลัลประเมินว่าผ่านไม่ผ่านมาเมื่อชาวสอนให้เจริญสติในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องสำคัญมากนะถ้าทำตรงนี้ไม่เป็นเนี่ยโอกาสจะบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยยากที่สุดเล เพราะอะไรเพราะเวลาส่วนใหญ่ของเรามันอยู่กับโลกธรรมดานี้อยู่กับชีวิตธรรมดานี้ถ้าในชีวิตธรรมดาซึ่งเป็นเวลาส่วนใหญ่นี้ภาวนาไม่เป็นนะโอกาสที่จะได้ธรรมะเนี่ยต่ามีเหมือนกันบางท่านนั่งสมาธิอย่างเดียวเดินจงกรมอะไรเงี้ยปฏิบัติอย่างนั้นหามรุ่งหามค่าไม่สนใจการกระทบแต่ยุคนี้ทำอย่างนั้นไม่ได้พวกเรา เป็นฆราวาสเราต้องอยู่กับโลกต้องทำมาหากินต้องมีครอบครัวต้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยงั้นหัดปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้ได้ได้เปรียบได้เปรียบคนท้งทำไม่เป็นคนทำไม่เป็นก็คือไม่เป็นะหลวงพ่อนั่งสมาธิตั้งแต่เด็ก ๆ, ๆนะ งั้นกำลังของสมาธิมีจิตเป็นผู้รู้ตั้งแต่ยังไม่เจอหลวงปู่ ด, ดุลจิตเป็นผู้รู้มาตั้งแต่เด็กเป็นคนดูเคยผ่านการทดสอบครั้งหนึ่งไฟไหม้ใกล้ๆบ้านตอนนั้นอายุสิบขวบไฟไหม้ใกล้บ้านเนี่ยตกใจวิ่งวิ่งจะไปบอกพ่อว่าไฟไหม้ข้างบ้านนะ เก้าที่หนึ่งเก้าที่สองว่าก้าที่สามนะันมันเหมือ น, นเปิดสวิตขึ้นมาจากข้างในเปิดไฟสว่างพรึบขึ้นมานะความรู้สึกตัวเกิดขึ้นจิตเด่นดวงขึ้นมาความตกใจก็เด็นหายไปเลยมีสติมีสมาธนะิเดินไปบอกผู้ใหญ่ว่าไฟไหม้ข้างบ้านแล้วก็ยืนดูเขาตกใจเราเป็นคนดูไม่ตกใจไม่อินเนี่ยตอนเด็กๆ ก, ก็เป็นแ ที่เป็นส่วนหนึ่งก็เพราะว่านั่งสมาธินะ้จิตรวมลงไปร่างกายหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวพอ ก, กลับมามีร่างกายมันก็รู้สึกว่าร่างกายกับจิตเนั้นมันคนละอันกันกายกับจิตเป็นคนละส่วนไม่เกี่ยวกันเงั้นแยกขันได้ตั้งแต่เด็กๆพอมาเจอหลวงพู่ดุลท่านสอนให้ดูจิตนั้นหลวงพ่อมาดูอยู่ในชีวิตจริงๆเลย เรายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดขับถ่ายนะไม่ว่าจะทำอะไรนะมีสติคอยรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองไปช่วงไหนรู้จิตใจไม่ได้ไม่มีกำลังพอก็อรู้ร่างกายนะอย่างเวลาทำงานนะงานต้องใช้ความคิดเยอะเครียดหัวหมุนติ้วติ้วเลย สักชั่วโมงหนึ่งหนะลวงพ่อจะใช้วิธีเดินไปห้องน้ำสักรอบหนึ่งเดินไปฉี่นะยังไม่ทันจะป่วยก็เดินใปนการเบรกตัวเองยกเว้นเวลาที่ตะลุมบอลที่ต้องคิดต่อเนื่องนะอันะั้นช่วยไม่ได้หรอกแต่ถ้าไม่มีงานถึงขนาดว่าหยุดห้านาทีไม่ได้อนะไรเงีนะ้ยใช่วิธีที่หลวงพ่อทำเนี่ยทำได้สักชั่วโมงหนึ่งเราก็ลุกขึ้นมา เห็นร well, ่างกายเดินไปห้องน้ำเห็นร่างกายไปยืนฉี่อยู่พอฉี่เสร็จเนี่ยนะขากลับเดินมาทางานเนี่ยดูจิตกลับมาได้ละจิตมีกำลังละงั้นตอนที่ดูจิตไม่ได้ดูกายพอดูกายแล้วจิตมีแรงขึ้นมาอีกก็กลับไปดูจิตถ้าดูกายแล้วจิตที่ยังไม่มีแรงชุตอนเย็นนั้นเหนื่อยมากละสมองก็ล้าร่างกายก็ล้า ไม่มีกําลังเหลือแนละดูกายก็ไม่ได้ดูจิตก็ไม่ได้ตอนนั่งรถกับบ้านหายใจเข้าพุทหายใจออกโธไป ท, ทําสมถะยังตอนไหนดูจิตได้ดูจิตจิตสําคัญที่สุดจิตเป็นหัวหน้าของธรรมะทั้งหลายทั้งพวงดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ก็ดูกายเพราะกายเป็นบ้านของจิตเราอยากเจอเจ้าของบ้านหาเจ้าของบ้านไม่เจอ ไปเฝ้าหน้าบ้านเดี๋ยวก็เจอเจ้าของงั้นดูจิตไม่ได้ดูกายถ้าดูจิตก็ไม่ไหวดูกายก็ไม่ไหวทำสมถะแต่เราไม่ควรรอให้หมดแรงแล้วถึงไปทำสมถะนะควรจะแบ่งเวลาไว้ทุกวันทำทุกวันไม่ต้องรอให้หมดกำลังก่อนแล้วค่อยไปทำงั้นแบ่งเวลาไว้วันละครึ่งชั่วโมงก็อย่างดีนะตอนหัดใหม่ๆก็แค่สิบห้านาที หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรอะไรก็ทำไปเถอะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งให้ใจได้พักผ่อนนะในถ้าเราอยากชำนิชำนานในการทำสมถะกรรมฐานนะทำสมาธิสมัฏานเราก็มีลูกเล่นเหมือนกันวิปัสสนาเนี่ยไม่มีลูกเล่นมีแต่รู้ซื่อๆรู้ตรงๆโลบรู้ว่าโลบโกรธรู้ว่าโกรธหลงรู้ว่าหลงแต่สมถะเนี่ย มีลีลามีชั้นเชิงมีเพลงมวยนะมีกระบวนท่าอย่างเราถนัดพุดโทโธเราใช้พุโทโธถนัดหายใจก็ใช้หายใจถนัดขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ขยับมือถนัดดูท้องพ่องยุบเนะี่ยก็ใช้พ่องยุบเอากรรมฐานอะไรก็ได้ถนัดเดินก็เดินเอานะมีอารมณ์กรรมฐ า, านไว้อย่างหนึง่งแล้วก็คอยรู้ทันจิตตัวเองไปเรื่อยๆ เนพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาแล้วสมาธิจะเกิดหรือถ้าจะทำสมาธิลึกซึ้งกว่านั้นนะก็ลำบากนิดหนึ่งอย่างเราหายใจไปเนียบางวันจิตเรามีกิเลสรุนแรงเราก็ต้องรู้จักข่มกิเลสอย่างวันไหนราคะรุนแรงเนี้ย เราจะมาหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยสู้ราคาไม่ไหวเราต้องข่มมันสิ่งที่เป็นศัตรูกับราคานะคืออสุภนะพิจณาอสุภะกรรมฐานไปนะก็ข่มราคาเนะี่ยบางทีก็ต้องข่มจิตในเวลาที่ควรขมจิตเราก็ข่มจิตเนะี่หลักของสมถะนะข่มจิตก็คือใช้กรรมฐานตรงข้าม มันมีราคามากก็พิณาสุภาษะมันมีโทศสามารถก็เจริญเมตตาเหมือนฟุ้งซ่านมากก็พุโทโธเร็วๆเนี่หาอารมณ์มาให้จิตจับไ ม, ไม่ให้หนีไปไหนพุโทโธพุโทโธพุโทโธเร็วๆอย่าง น, นี้ก็ได้เพราเรามีชั้นเชิงนะจิตมันบื้อหวามีกิเลสรุนแรงนะขมมันหรือบางทีเราก็ต้องประคองจิตไม่ถึงกับข่มประคองจิตหมายถึง เช่นเราอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธเนี่ยพอจิตมันจะนีไปจากลมหายใจหนีไปจากพุทโธนล้วก็เกลี้ยกล่อมมันตะลบมมันเฮกลับมาอยู่กับพุทโธนะนะค่อยๆเลี้ยงมันค่อยๆเลี้ยงตบซ้ายตบขวาตบเบาๆนะแต่ถ้าแบบข่มมันกอย่างนี้นะกระบวนท่าที่หนึ่งทุบมันออกไปะมันมีราคะก็ทุบมันด้วยอสุภาามันมีโทสะก็ทุบมันด้วยเมตตาอะไรอย่างงี้ พอจิตมันเริ่มเชื่องขึ้นมานะคอยประครับประคองเหมือนเวลาขับรถขับรถเป็นไหมจำวันที่หัดขับแรกๆได้ไหมจับพวงมาลัยแน่นเลยใช่ไหมรถสสยไหมทั้งท้าย ท, ที่จับแน่นๆนะก็สายเดี๋ยวนี้เหรอ <c oughs> <c oughs> แบบเดียวกันทีแรกยังไม่เป็นนะต้องจับมันแน่นๆ พอเป็นแล้วแ ต, แต่แต่ประคองไว้ประคองให้รถวิ่งไปประคองจิตไม่ให้มันหลุดจากกรรมฐานบางทีประคองไปนานชักเหนื่อยจิตถ้าเหนื่อยได้นะจิตก็ไม่รวมสักทีไม่เข้าฌานสักทีประคองมาตั้งนานแล้วขมมาตั้งนานแล้วไม่ได้พักเลยซึมไปแล้วหมดแรงซึมซึมเป็นไหมนี่ทาหน้าอย่างนี้นะเราก็ต้องรู้จัก เราจิตเชียจิตใช่ทีแรกข่มจิตประคองจิตเราจิตหน้าสู้สู้สู้นีนเราใจให้ต่อสู้บางทีเรามากไปมันชักกะดีกระดาะก็ต้องสอนมันให้เป็นอุเบกขาทำจิตให้เป็นอุเบกขางั้นเวลาเราทำสมถนะมีลีลาอยู่สี่กระบวนท่า คมมันในเวลาที่ควรคมประคองมันในเวลาที่ควรประคองเชียดมันเล้าใจมันในเวลาที่ควรเล้านะแล้วก็ทําให้เป็นอุเบกขาในเวลาที่ควรจะเป็นอุเบกขามันสู้ซ่ามากตลอดเวลาองไม่ไหวนะบออกเชิงเชิงซะบ้างรู้จักสงบซะบ้างนะค่อยๆฝึกไปนะจนชำนิชำนาญเวลาเราเด็ดเหนื่อย เราก็ทําสมาธิให้จิตสงบถ้าเราเข้าฌานไม่เป็นครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อมาหลวงปู่เทศเคยสอนวิธีทําสมาธิแบบลัดยอ่อลัดสั้นวิธีก็คืออย่างใจเราฟุ้งซ่านมากวุ่นวายไปหมดละเหน็ดเหนื่อยลูกค้าก็กำลังจะมาหรือเจ้านายกำลังจะมาตรวจงานใจเรานี่เราร้อนไปหมดล้ว ถ้าบอหายใจเข้าแล้วกลั้นไวนะ้แล้วก็เอาความรู้สึกเนี่ยไปจับตรงที่ความรู้สึกว่างๆความนิ่งๆลองหายใจเข้าแล้วกลั้นไวนะ้รู้สึกไปที่ความรู้สึกนิ่งๆทําลองดนะูให้ใจไปอยู่กับความรู้สึกนิ่งๆแป๊บหนึ่งชั่วลมหายใจเดียวถึงเวลาก็หายใจปกติแล้วนะ ทำสักสองสมรอบก็ได้แต่อย่าทำมากเหนื่อยเวลาหลวงพ่อทำงานแล้วเหนื่อยนะั้นไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาทำสมาธิอย่างนี้เนีน่ยจับจิตให้นิ่งให้ว่างนะแล้วก็ปล่อยออกมาจิตธอมีกำลังทำงานไปได้อีกสองชั่วโมงแล้วพอเหนื่อยอีกทำอีกก็มีกำลังทำงานได้อีกชั่วโมงหนึ่งมันจะเริ่มสั้นลงเลยได้ๆนะ สนุงได้เลยลองไปทำดูอันนี้เอาไว้สำหรับชาร์จพลังเรียกว่าควิกชาร์จเป็นระบบควิกชาร์ดถ้าเป็นระบบนานๆหมายถึงทำสมาธิเข้าชงเข้าชาญถ้าจะควิกชาร์ชาร์จเร็วๆก็กลั้นใจปุ๊บเท่านั้นก็พอถึงเวลาก็ออกมาทำงานต่ออยู่กับโลกต้องเป็น จะไม ไ, ไม่เครียดเกินไปไม่เหนื่อเกินไปไม่สติแตกเวลาโกรธมากๆเดินหนีก็ไม่ได้อะไรนะกลั้นใจไปนิดหนึ่งเดี๋ยวก็เลิกโกรธตั้งใจไว้เลยถ้าไม่หายโกรธจะไม่หายใจรับรองว่าในชั่วอึดใจเดี๋ยวก็หายโกรธแล้วเพราะเราไม่เคยรักอะไรมากกว่าตัวเองเลยเรากลัวมันตายนะ เันโกรธขึ้นมาจะฆ่าเขาแล้วเนี่ยถ้าไม่หายโกรธไม่เลิกเลยนะแป๊บเดียวหายแล้วมาทีอึ๊บเนี่ยถ้าไม่หายโกรธไม่เลิกหายแล้วนะอยไม่ก ล, ากล้าโกรธเนี่มันอันนี้เป็นแท็กติกนะแท็กติกไม่ใช่หลักของการปฏิบัติเป็นอุบายใช้ในยามชนตัวอุบายอย่าใช้บ่อยจะกลายเป็นคนเจ้าเล่ห์เพทุบายแล้วไม่ไม่มีใครเชื่อถือ อย่างคงเบ่งเนี่ยน่าเชื่อถือไหมพูดอะไรเนี่ยคนจะต้องจิงปากจิงปากนะอย่างนี้ตลอดเลยนะคงเบ่งเนี่ยไม่มีเครดิตนะพูดจานี้เชื่อถือไม่ได้เลยนะโลศกพูดอะไรเชื่อได้เป็นเซอร์ชิปเปงเลยนะนะนั่นเราเริ่มฝึกนะฝึกตัวเองรู้จักเป็นฆราวาสเนีรู้จกัจกกรรมฐานที่เหมาะกับฆราวาส การฝึกจเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี้ยดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทําสมถนะทําสมถะถ้าเต็มรูปแบบก็ทํากรรมฐานสักอย่างหนึง่งนะแล้วก็อาจจะต้องข่มจิตบ้างประคองจิตบ้างเชี่ยจิตบ้างนะแล้วก็รักษามันให้เป็นอุเบกขาบ้างหรือถ้าไม่มีเวลาเขาใช้ระบบควิกชาร์ท ให้ใจเรากลั้นไปนิดหนึ่งจะมีแรงได้ชั่วคราวแรงไม่นานแต่ถ้าเข้าฌานเนี่ยจะมีแรงไม่เกินเจ็ดวันถ้าเข้าฌานนะมีแรงไม่เกินเจ็ดวันอันเนี้ยกลั้นใจมีแรงไม่เกินสองชั่วโมงคนละชั้นกันเลยเอาไว้เวลาจวนตัวก็ใช้ใช้ได้แล้วเวลาเราทางานเจ้าหน่ายกาลังโมโห ม, หมาเราก็ต้องแผ่เมตตา ได้ยินเสียงเขาเดินมารีบเจริญเมตตาไว้เมตตาคูณนางอรหังเมตตาทำใจให้สบายนะเมตตาคูณนางอรหังเมตตาเขาเดินมาเนี่ยใจเขาจะค่อยๆๆอ่อนลงไม่ดุร้ายแต่ถ้ามันดุร้ายแบบกรรมพันอ๋อเมตตาคูณนงอรหังเมตตาอย่างนี้นะยังสู้มันไม่ไหวกำหนดจิตไว้ตรงนี้ กำหนดจิตไว้ที่นี่นะแล้วก็บริกรรมเมตตาไปเนี่ยเอาไว้ปราบมาบ้านะพลังของความเมตตาจะพุ่งออกไปอย่างแรงนะถ้าเป็นแบบธรรมดาเนี่ยไม่ต้อง ก, กําหนดความเมตตาเนี่ยแผ่ซ่านไม่มีขอบเขตโคตละชั้นกันนะเหนือกว่ากันเยอะเลยเมตตาไม่มีขอบเขตนี่เรียกว่าเมตตาอัปปมัญญาสูงกว่า อ้นนี่เป็นเมตตาพรมิหารคนละชั้นกันเจาะจงบุคคลแต่ยามจำเป็นก็ต้องใช้เจ้านายอะไรจะมายืนสองขาวให้เราแล้วจะมาไล่ออกแล้วนะแถกวางว้างไม่ทันนะคำนวณพอมาถึงมันลืมอ่ะลืมไม่รู้มาเดินมาทำอะไรเดี๋ยวเดินกลับไปแล้วเอาสองคืนไปด้วยออนะ <c oughs> เรื่องของสมาธิลูกเล่นเยอะมีให้เล่นเยอะนะแต่อย่าเล่นจนลืมงานหลักบอกแล้วนะว่าสมถะเป็นงานสนับสนุนทำให้มีแรงทำให้ดูจิตได้ดูกายได้งานหลักคือการเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตามความเป็นจริงแั้นะต้องรู้นะบางคนเล่นเป็นงานรองแล้วงานหลักไม่ทำเสียไปชาติหนึ่งชาติหน้าก็ติดนิสัย พอลงมือปฏิบัติเพื่อจะเล่นโน้นเล่นนี่ต่อไปอีกใช้ไม่ได้กี่ภพกี่ชาติก็ใช้ไม่ได้นะเพราะฉะเราพยายามเจริญปัญญาไว้มิธีเจริญปัญญาทําได้สามแบบเจริญปัญญาในชีวิตประจําวันอย่างที่หลวงพ่อสอนนี่แหละทําไมสอนเจริญปัญญาในชีวิตประจําวันก็พวกเราเข้าฌานไม่เป็นนะจะไปสอนเจริญปัญญาในฌานทําไมะสอนแล้วก็ทําไม่ได้ฟุ้งซ่าน บ, บาวบเปล่านะเจริญปัญญานะ ในสมาธนะิหรือว่าออกจากสมาธิแล้วมาเจริญปัญญาหรือเจริญปัญญาไปเลยแล้วเกิดสมาธิทีหลังวิธีที่สอนพวกเราเนี่ยคือเจริญปัญญาไปเลยแล้วสมาธิระดับอัปปนาสมาธิระดับฌานเนี่ยจะเกิดเองทีหลังนะคอยดูจิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วถึงวันหนึง่งฌานจะเกิดเองนะอันนี้เรียกว่าปัญญานาสมาธิ ถ้าสมาธินําปัญญาก็คือเข้าฌานก่อนแล้วออกจากฌานมาพิจารณกายมาดูร่างกายทําไมออกจากฌานไม่ดูจิตเพราะเวลาเข้าฌานนจิตมันสงบนะออกมาเนี่ยจิตยังติดความสงบออกมามันไม่มีความเปลี่ยนแปลงให้ดูมันดูกายใจมันจะเฉยๆดูอะไรไม่ได้ดูกายอีกงานหนึ่งคือจเจริญปัญญาในฌานอันนั้นต้องชํานาญในการดูจิตแล้วชํานาญในฌาน ชำนาญในฌานหมายถึงว่าชำนาญในการเข้าฌานนึกจะเข้าก็เข้าได้ชำนาญในการทรงอยู่ทรงอยู่ได้เท่าที่ต้องการชำนาญในการเจริญปัญญาในฌานต้องไปดูจิตในฌานดูกายในฌานไม่ได้นะเราไปดูจิตในฌานแล้วก็ชำนาญในการออกจากฌานต้องชำนาญสี่อย่างออกไม่เป็นเนี่ยปวดหัวเลยนะหัดใหม่ๆตอนที่ถอยจิตออกมาถอยแรงไปถอยเร็วไป ปดหัวเลยถอยช้าไปไม่ออกกลับเขา้าไปอีกเนี่ยอย่างนี้ก็มีอะไรต้องชำนาญดฉงนั้นพวกเราคงไปไม่รอดหรอกถ้าสอนไปทางฌานนะโงเ่เฮงพวกเราให้ว่าฟงซ่านะพวกฟงซ่านพวกคิดมากเนี่ยเจริญปัญญาไปเลยมีสติในชีวิตประจำวันนี่นะเจริญปัญญาอยู่นำสมาธิไปแล้วสมาธิค่อยๆเกิดทีหลัง อย่างวันนี้มีบางคนในทีมพวกเราที่หลวงพ่อสานเน้นหนักในเรื่องใช้ปัญญานําสมาธิะพอมาถึงวันนี้จิตมีสมาธิทรงตัวขึ้นมามีสมาธิติขึ้นเห็นไหมดูจิตไปเรื่อยๆนะเจริญปัญญาไปเรื่อยๆสมาธิกับติขึ้นได้หลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดุลมีอยู่วันหนึ่งไปหาหลวงปู่ดุลแล้วไปบอกหลวงปู่ดุลผมนั่งแล้วมันเคลิมลงไป หลวงปู่บอกว่าจิตนันเข้าสมาธิหลวงพ่อก็บอกหลวงปู่บ ผ, ผมดูจิตอยู่ผมไม่ได้เข้าสมาธินะไม่ได้เข้าสมาธิดูจิตอยู่หลวงปู่ดูลบอกการดูจิตนะั้นได้สมาธิอัตโนมัติถึงเวลาเข้าเองนะเข้าเองไม่ต้องตกใจเพราะงั้นใช้ปัญญานำสมาธิคือสิ่งที่พวกเราทำได้พ่อจะทำได้ถ้าขยันทำใส่ใจที่จะทำ ถ้าขี้เกียจถ้าไม่สนใจการปฏิบัติจี่ปีกี่ชาติมันก็ไม่เจริญขึ้นหรอกถ้าค่อยสนใจที่จะเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองนะไม่นานมันก็เจริญศีลก็ดีขึ้นสมาธิก็ดีขึ้นปัญญาก็ดีขึ้นแล้วก็ใกล้มาผลนิพพานเข้าไปเรื่อยๆศีล ส, สมาธิปัญญาสมบูรณ์นะก็เกิดอริยมรรคอริยผลขึ้นมาสมบูรณ์ในขั้นโสดาก็แบบหนึ่งนะระดับหนึ่ง สมบูรณ์ในขั้นสกทาคาขั้นอนาคาขัานพระอรหันต mm ์ hmm. ก็คนละระดับกันระดับโสดาไม่ยากนักหรอกอสมัยพุทธกาลคารวะฟังพระพุทธเจ้าเทศน์ได้โสดากันเยอะแยะไปเราไม่ได้โง่กว่าคนยุคนั้นนะแต่เราฟุ้งซ่านกว่าคนยุคนั้นคนยุคนั้นไม่มีมือถือเขาไม่ได้เล่นไลน์ ถ้าอนาถพินธิกาเล่นไลน์หรือแชทกับวิสาขาไม่ได้โสดาทั้งคู่ไม่ไ ม, ไ ม, ไมีไม่ได้กินหรืออุบารีเป็นอุบาทศคนหนึ่งถ้า ว, วันวันหนึ่งถ่ายรูปตัวเองลงเฟซบุ๊ก ถูกว่าทุกวันวันหนึ่งหลายหลยรอบเนะี่ไม่ได้อนาคานะไม่ได้กินหรอกนะอยู่ที่ความใส่ใจนะไม่ได้ยากเกินไปการที่จะเรียนรู้ตัวเองไม่ใช่เรื่องยากใจเราโกรธรู้ไหมใจเราโลบรู้ไหมใจเราหลงไปแล้วเผลอไปคิดเรารู้ไหมเผลอไปดูเรารู้ไหมเผลอไปฟังเรารู้ไหมใจเราสงบเรารู้ไหมใจเราฟุ้งซ่านเรารู้ไหมไม่เห็นจะยากตรงไหนเลย ง่ายๆคอยอ่านมันไปเรื่อยคอยรู้คอยดูมันไปเรื่อยแค่นี้แหละถ้าถึงเวลาทำในรูปแบบนะจะได้สลั่งเยอะๆถ้าไม่มีเวลาก็ทำควิกชาร์ะให้จิตได้พักแป๊บหนึ่งก็ยังดีเอาต่อไปส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อนเมื่อวานไม่ได้ส่งกับนพิธการหลวงพ่อคะอ่ะ ครั้ที่แล้วหลวงพ่อให้โยมไปสังเกตจิตไม่ถึงฐานโยมไปฝึกก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นอ่ะดีแล้วละแต่ขณะนี้ยังไม่ถึงฐานนะดูออกไหมขณะนี้อยู่ข้างนอกนิดหนึ่งลองหายใจอย่าดึงจิตนะหายใจเฉยๆหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวเราทําไปอย่าดึงจิตอยพายุ่งกับจิตหายใจแล้วรู้สึกตัว ตรงนี้กะตะกี้ไม่เหมือนกันนึกออกไหม เ, ออเมื่อกีย้ยุ่งนอกนึกออกอยังเ น, นี่ยถ้าจิตอยู่ในบ้านจะเป็นอย่างนี้แต่อย่ารักษานะารักษาเราจะแน่นอ้าวคนต่อไปขอพ่ะคุณหลวงพ่อค่ะครับมาสักการหลวงพ่อค่ะคือการรู้สึกรูที่ตัวเองอย่างี้คะ่ะมันต่างกับการเพ่งยังไงคะเพ่งนะมันคล้ายๆเฝ้าไม่ให้คลาดสายตา อันนี้เราแค่รู้สึกแค่รู้สึกเทนะ่านั้นไม่ใช่ต้องรู้สึกแบบไม่ให้คลาดสายตาจ้องไว้ตลอดเวลานะตอนที่เราจะค่อยสังเกตว่าเราหลงไปเราหลงอะไรอย่างนี้อย่างขนาดนี้สงสัยรู้ไหมรู้ว่าสงสัยแค่นี้แหละมันง่ายขนาดเนี้ยพยักหน้ารู้สึกไหมเห็นร่างกายเป็นขยักหน้าไหมเห็นไหมว่าใจตอนนี้ยมันปลงขึ้น อย่างนี้รู้ไหมสายหน้าเมื่อกี้รู้ไหมไม่รู้เพราะมันต่างไปเดี๋ให้รู้ไปเรื่ยังขนาดเนี้ถือไม้อยู่รู้ไหมไปยักหน้ารู้สึกไหมลองรู้สึกร่างกายในปัจจุบันไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวสมาธิไม่ได้ดีขึ้นแล้วมันจะไปต่อได้รู้สึกกายไปร่างกายนั่งรู้ว่านั่งรู้สึกกายคือเราเหมือนไม่เฝ้าแค่รู้สึกเฉย เนี่ยร่างกายมันนั่งอยู่ร่างกายมันขยับร่างกายมันพยักหน้าอย่างเงี้ยสงสัยอีกแล้วรู้สึกไหมสงสัยรู้ว่าสงสัย น, นี่ดูจิตดูกายเรื่อยๆเร้วจะเห็นจิตก็คือไม่ต้องเอาความรู้สึกเตไว้ที่กายเลยก็คืปล่อยไปเลยจุดอ่อนของหนูน ะ, ะคือคิดเยอะไปความสงสัยของหนูแหละปิดกั้นหนูไว้จากความจริง เพราะันต่อไปนี้จะเป็นหลงกลความสงสัยสงสัยเกิดขึ้นรู้ว่าสงสัยแล้วก็รู้สึกร่างกายไปสบายสบายต่อไปมันสงสัยขึ้นอีกรู้สึกกายอย่างนี้แล้วจะได้อะไรเนี่ยรู้ว่าสงสัยอีกการดูจิตของหนูที่ดูง่ายที่สุดนะคือดูตัวสงสัยมันจะขี้สงสัยเนะนใจสงสัยเรารู้สงสัยแล้วรู้ต่อไปก็จะดูจิตตัวอื่นได้ด้วย อันะนี้หัดดูตัวหนึ่งก่อนที่จิตสงสยัยนะถ้ามันไม่มีความสงสัยอะไรก็รู้สึกร่างกายไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูสบายๆไอ้หโ น, โนูนั่น<ข>ลงไปแล้วนะออกนอกวัดไปเลยนะนะั่นเห็นไหมเราสง่งใหม่ร่างกายมันสง่งใหม่รู้สึกไปเรื่อยนะ กันที่เราเคอยรู้สึกนะรู้สึกสบายๆนะไม่ได้เพ่งหน่อยเอาละจะส่งไม้ละอย่างนี้เพ่งนะด้เคลื่อนไหวปกติแล้วก็รู้สึกเอามาสักการ์ครับหลวงพ่อผู้ชายก็กลัวเป็นเหมือนกันนะเอาว่าไปนี่ยิงกลัวหนักเขา้ญอีกดูดูกายครับแล้วก็ เห็นกายไม่ใช่เราครับนั่นแหละดูไปเรื่อยๆสังเกตไม่กายมันถูกรู้ดูไปเรื่อยๆกายมันถูกรู้นะเดี๋ยวสักพักหนึ่ไมิจะเห็นจิตเป็นคนรู้แต่อย่าไปเที่ยวหานะว่าจิตผู้รู้อยู่ที่ไหนแค่รู้ทันว่าร่างกายมันถูกรู้ไปแล้วพอจิตเราถลำลงไปจ้องกายรู้ว่าจิตไหลไปอยู่ที่กายคราวนี้จะดูจิตได้แนละ้วอย่างตอนนี้ รู้สึกไหมมันเที่ยวสายสายสายดูออกไหมดูออกครับเอ อ, อนี่หละดูนัแหนะละเรียกว่าดูจิตสใจเกตไหมใจเราโล่งขึ้นมาใจเราโปร่งขึ้นมาเพราะเรารู้กายรู้ใจได้นะใจก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้จักตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยังตัวนี้ไม่ใช่แต่ตะ ก, กี้ใช่ตัวนี้เป็นผู้เพ่งแนละ้วเป็นผู้รักษา แต่เม่อกีเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะต่นนี้ใจมันน้อมกลับเข้าไปหาตัวผู้รู้อ้านี่เป็นผู้เพ่งอีกละเป็นผู้ไปหาอีกละเห็นไหมถ้าเมื่อไหร่รู้ทันว่าใจไปหาผู้รู้ก็จะเกิดถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าใจไปคิดผู้รู้ก็จะเกิดนะอ้าวคนต่อไปไปฝึกเรื่อยๆรักษาการครับอืมติดเพ่งอยู่ครับไม่ไม่ติดมากหรอก ติดน้อยแต่เดิมติดแรงกว่า น, นี้เยอะตอนนี้คลายออกแล้วนะใช้ได้รู้สึกไปอยาะขนาดนี้ใช้ได้แล้วนะเห็นไหมร่างกายแห่งของถูกรู้นะเห็นไหมร่างกายที่นั่งอยู่ถูกรู้เห็นไหมร่างกายที่พยักหน้าถูกรู้รู้สึกไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเห็นจิตชัดขึ้นมามรดกการหลงพ่อครับ ไม่ได้พบหลวงพ่อนานดีขึ้นครับดีขึ้นในแง่ฟุงงซ่านน้อยลงเมื่อก่อนจะช่างพูดรู้สึกไหมมันอยู่ข้างนอกเริ่มไปอยู่ข้างนอกตอนนี้ใจมเข้าบ้านแล้วเพราะใจเข้าบ้านเราก็มาเรียนรู้ไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเลยดูออกไหมครับนอกจากทูกไม่มีอะไรดูลงไปในกายก็มีแต่ทุกข์ในใจิตใจที่ทำงานอยู่ก็มีแต่ทุกข์ดูไปเรื่อย ดูทุกเป็นหลักของผมใช่ไหมครับใช่มันเห็นเองเหละนะเพราะจิตของคุณมันโน้มไปเห็นทุกได้รู้สึกเปล่าตอนแ้นก็ยังคิดว่าจะดูอะไรดีไปดูทุกทุกนะครับเออครับะอาต่อไปนี่จะมาถามว่าจะดูอะไรดี เขาเรียนธรรมะของหลวงพ่อมาห้าเดือนแล้วมาเกิดความกังวลใจโดยไม่รู้สาเหตุจะทําอย่างไรให้ใจไม่กังวลขณะเดียวกันใจก็ไม่ชอบอารมณ์ของกับสมถะเช่นดูลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธกับชอบตามกิเลสและการมคุณทําให้จิตใจไม่มีกําลังสมาธิไม่พอขอคำแนะนําว่าควรทาสมถะอย่างไรดีและควรระวังอะไรเป็นพิเศษค่ะใจฟุ้งซ่านนะแล้วมันเจือโทสายเยอะ นะเจอความไม่พอใจอย่าไปห้ามมันเจริญเมตตาไปเรืนะ่อยๆบริกรรมในใจเราเมตตาผู้นังอระหังเมตตาทําไปเรื่อยๆสงบก็ทําฟุ้งซ่านก็ทําทําไปเรื่อยๆให้ใจมันมีกำลังให้ใจตั้งมั่นก่อนแล้วไปเดินปัญญาต่อนะบริกรรมเมตตาไปยังไม่จบแลวจบแล้ ว, ลวส่งใหม่ไป ยกมือหนูก็ส่งไม่ไปสิหนูแปหนูแปลต่อค่ะฮะอ๋อหนูไมเป็นคนแปลเลยเหรอค่ะอะว่าไปเขาฝึกมาแบบเบญนาค่ะรู้สึกสมาธิไม่พอและรู้สึกง่วงมากมาระยะหนึ่งแล้วตอนฝึกสมาธิแบบอารมณ์มโปัิชารู้สึกเพ่งมากกดมากอยากเตือนถามหลวงพ่อว่าอาการง่วงจําเป็นต้องแก้ไขไหมไม่ต้องไม่ต้องแก้นะ แล้วเขาบอกกับการดูทนาไหมอะไรนะเขาบอกกับการดูเวทนาไหมค่ะเหมอะกับอะไรนะการดูเวทนาค่ะเหมาะไหมคนเนี้ดูจิตได้นะเขาดูจิตได้อย่างสบายๆเลยให้เขารู้ทันจิตใจของตัวเองไปจิตใจสุขจิตใจทุกข์อะไรเงี้ยดูเวทนาในใจไม่ดูที่เวทนาในกายนะดูเวทนาในใจแล้วก็ดูความดีความชั่วในใจโลภโกรธหลงในใจดูจิตไปเรื่อยๆ เอาคนต่อไปหลานชายที่บ้านอายุ21ปีเล่นเกมทั้งวันเข้ากันไม่ได้แต่ต้องอยู่ด้วยกันเขาทุกข์มากรู้สึกว่าหลานเป็นอุปสรรคในการภาวนาเขาควรภาวนาอย่างไรเพื่อให้สามารถช่วยหลานเขาได้ค่ะอย่าไปยุ่งกับหลานช่วยช่วยตัวเองก่อนเหมือนอย่างเราเห็นคนตกน้ำเนี่ย ก่อนที่เราจะไปช่วยคนที่ตกน้ำนะเราก็ต้องว่ายน้ำได้ก่อนถ้าเราสมาธิเราก็ไม่พอการปฏิบัติเรายังไม่ชำนาญแล้วเรายังห่วงคนอื่นอีกใจเราก็อยู่ข้างนอกนะเราก็จะภานายากเรื่องของหลานปล่อยหลานไปหลานจะดีหรือหลานจะไม่ดีหลานต้องรับผิดชอบตัวเองหน้าที่ของเราคือพัฒนาตัวเองให้หลานดู เราพัฒนาตรวเงเราจะดีขึ้นดีขึ้นเรามีความสุขมีความสงบขึ้นเลยเนะี่ยอยู่ด้วยกันนานๆเดี๋ยวหลานมัก็เห็นเองนะมันก็จะเริ่มสนใจว่าทาไมเราดูดีขึ้นเราค่อยสอนอยู่ๆไปนั่งสอนนะมันไม่เชื่อหรอกเพราะเราสอนไปโมโหไปเอาคนต่อไป ทุกครั้งที่จิตใจสงบลงเช่นเวลาฟังธรรมหรือนั่งสมาธิจะรู้สึกมีลมหมุนไปมาในหัวอมเมื่อนั่งไปเรื่อยๆจนจนสงบแต่ไม่เห็นความคิดอะไรเลยปฏิบัติถูกต้องไหมคะถูกมันสงบก็ ร, รู้ว่าสงบไปหนะาไม่ต้องอยากเห็นโน่นเห็นนี่อะไรนะพอมันสงบแล้วรู้ว่าสงบพอเราถอยออกจากสมาธิแล้วเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปตอนนั่งสมาธิจะสงบแค่ไหนก็ช่างมัน แต่ตอนออกจากสมาธิแล้วเนี่ยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงใจคิดขึ้นมาจิตเราเริ่มแหวงไปแหวงมานะให้เรารู้ทันจิตไปเลยหลวงพ่อพุธท่านเคยสอนนะบอกเวลาออกจากฌานมาเนี่ยเป็นนาทีทองเวลาเราเข้าสมาธิสงบนะพอเราจะออกจากสมาธิมาเนี่ยท่านบอกตัวเนี้คือนาทีทอง ให้เรามีสติรู้ทันใจที่เปลี่ยนแปลงไปเลยใจเมื่อกี้สงบตอนนี้เริ่มไม่สงบนะเนี่ยดูไปอย่าไปบังคับให้สงบตลอดเวลานะออกจากสมาธิมาแล้วก็ดูใจที่มันทำงานไปเลยนะใช้วิธีอย่างนี้นะตอนที่นั่งสมาธิไม่ต้องแก้อะไรหรอกเขาม่อีกข้ อ, อ น, นึงนะคะตอนนั่งสมาธิรู้ร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายเหมือนลูกบอลที่ขยับเข้าขยับออกทาถูกไหมคะถูก เห็นไหมร่างกายเป็นวัตถุร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายมีธาตุไหลเข้าไปร่างกายมีธาตุไหลออกมาน่มันไม่ใช่ตัวเราถูกแล้วอยู่ที่ไหนขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะว่าเขาเหมกับการปฏิบัติรูปแบบไหนและใจเขาติดสภาวะอะไรอยู่หรือเปล่าคะรู้สึกร่างกายเรื่อยๆนะรู้สึกความเคลื่อนไหวหางานทำทั้งวัน เพลื่อนไหวไปขวานบ้านถูบ้านทํางานไปแล้วเห็นร่างกายมันทําไปเรื่อยๆใจเราเป็นคนดูนะจะดีกว่าไปดูจิตตรงๆดูจิตตรงๆยังไม่ได้ใจฟุ้งมากไปงั้นไปดูกายก่อนให้มันมีแรงดูกายไปแล้วใจจะเริ่มมีกําลังนะเดี๋ยวขับไปดูจิตได้ตอนนี้ยังดูจิตตรงๆไม่ไหวยังฟุ้งอยู่ดูกาย เขาเดิมไม่เคยปฏิบัติมาก่อนฟังทำหลวงพ่อมาประมาณห้าเดือนแนะนปฏิบัติอย่างไรที่เหมาะสมกับเขาค่ะที่ฝึก อ, อยู่เนี้ยเหมาะสมแล้วขณะนี้จิตใจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแค่ระวังเรื่องเดียวอย่าไปรักษาจิตให้นิ่งใจเนี้ยมันรู้มันตื่นขึ้นมาแล้ ว, แ, ลวแต่เราชอบไปทำจิตให้นิ่งๆรักษาให้นิ่งเกินไปปล่อยให้มันเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติอย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดแล้ว รู้ว่าใจหนีไปคิดง่ายๆแค่นี้คอยรู้ทันเวลาใจมันไหลไปใช้ได้นะอันนี้ห้าเดือนทำได้จิตมีสมาธิดีขึ้นเยอะแล้วคอยรู้ทันใจที่หนีไปเรื่อยๆหนีไปคิดก็รู้หนีไปดูก็รู้อ้ า, อาต่อไปใครจะยกมือทางนี้ยกไหวฉมัดเลย ดีใจก็ให้รู้ว่าดีใจจิตวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อก็ให้รู้มาสักการหลวงพ่อคะ่ะอืเออมาส่งกันบ้านครั้งแรกคะ่ะฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณหนึ่งปีช่วงที่ฟังซีดีเนี่ยก็จะฟังช่วงที่ขับรถอาหาไปกลับจากบ้านมามที่ทํางานที่ทํางานมาที่บ้าน แล้วก็แต่ไม่ค่อยได้ฝึกในรูปแบบสักเท่าไหร่อ่ะค่ะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะถนัดที่จะดูจิตมากกว่าที่จะดูกายซึ่งกายเนี่ยเรายังมีความรู้สึกว่าเรายังมีตัวตนอยู่ะค่ะแต่ส่วนจิตเนี่ยเ อ, อระยะเวลาปีหนึ่งเนี่ยยิ่งเราดูเนี่ยหรือว่าเราตามรู้เนี่ยค่ะก็จะรู้สึกว่าทุกมาโดยตลอดอะค่ะประมาณ ดู 95% ด, ด, ดูถูกแล้วน <c oughs> ะดูได้ยังไงก็ดูไป <c oughs> แต่มันไปได้ช่วงหนึ่งนะ <c oughs> สุดท้ายก็หนีการทําสมาถะไม่ได้หรอกเพอดูไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งอันนี้มันคล้ายๆบุญบา ร, รมีเก่าเราสะสมมาสมาธิเรามีนะะคเราใช้เจริญปัญญาดูจิตดูใจทํางานไปเรื่อยๆนานๆไปบางทีสมาธิตกเราดูไม่ถึงจิตแต่ตอนเนี้ดูถึง จิตอยู่ในฐานถูกต้องเรียบร้อยถูกพอดีเป๊ะ เ, เลยดูไปเรื่อยๆแล้วถึงวันหนึ่งถ้ารู้สึกว่าแม้มีแต่ความสุขมีแต่ความสบายอันนี้ดูไม่ถึงจิตละนะถึงเวลาที่จะต้องทำสมถาระค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อเรียนถามหลวงพ่ออีกคาถามหนึ่งค่ะ เ, เหตุการณ์ที่เราเจอในปัจจุบันเนี่ยเราเราสามารถรับรู้แล้วก็จัดการกับ ดีเลตต่างๆพอจะได้อะค่ะแต่มีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนกับความคิดเราในอดีตอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เป็นตัวสัญญาหลวพ่อสัญญาพวกจำหมายหรือว่าสัญญามั่นหมายต่างๆเนี่ยคะ<ม>ที่เกิดขึ้นจากอดีตแล้ว<ม><ม>เรามาคิดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกิดอุปทาน<ม>ที่ปรุงแต่งจิตให้บางครั้งเป็นเป็นเหมือนอกุศลอย่างเงี้ยเรา<ะ>ห้ามไม่ได้นะสัญญาเพราะเป็นอนัตตาห้ามไม่ได้ แต่ว่าตรงที่มันปรุงอกุศลเนี่ยอันนี้เป็นปัจจุบันละสัญญาทำให้สังขารปรุงขึ้นมาตรงที่สังขารปรุงอกุศลที่เกิดเนี่ยเป็นปัจจุบันแล้วแค่รู้เฉยๆนะแก้อดี ต, ตไม่ได้และจะห้ามสัญญาก็ไม่ได้อันนี้เป็นค่ยๆมีหนี้อยู่ก็ต้องรับใช้ไปค่อยๆดูไป และในปัจจุบันนี้จะปฏิบัติที่ปฏิบัติน่ะถูกแล้วรู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละถูกแล้วละแล้วจิตก็อยู่ในฐานถูกต้องเป๊ะเลยแต่เราอย่ารักษานะไม่ใช่ต้องรักษาต้องดีอย่างนี้ตลอดนะอยู่ในฐานก็ได้หลงออกไปก็ได้แต่หลงแล้วรู้ไวๆหน่อยไอ้ตอนนี้หลงไปคิดแลวรู้สึกไหมรู้อย่างนี้แบ่งเวลาไว้ทาในรูปแบบ วิธีทำในรูปแบบก็คือนั่งดูจิตมันไหลไแปบบคอยรู้ทันจิตมันไหลไปก็รู้ไหลไปก็รู้นะสักสิบห้านาทีก็ได้แต่ละวันแต่ตอนขับรถเนี่ยไปฝึกอย่างนี้นะเดี๋ยวจิตรวมปุ๊บลงไปตื่นขึ้นมาอีกทีอยู่ในเทวโลกแล้วกับ <c oughs> ขอพบพระคุณค่ะอยู่ไหนล่ะอยู่ตาง น, นี้ ผมมีปัญหาว่าจิตผมจะรู้สึกว่ามันโมัวม่วมวแล้วก็เหมือนมีเมฆหมอกแล้วก็หลงอยู่ตลอดเวลาระหว่างที่ผมปฏิบัติผมควรทำอย่างไรดีครับคนนี้เมื่อวันก่อนก็ถามทีหนึ่งแล้วเรื่องจิตโมนะ่โม่เนียจิตม่โมเนะมันก็เหมือนเมฆเมฆไม่ได้ทำให้พระอาทิตย์พระจันทร์มืดลงไปโมหะก็ไม่ได้ทำให้จิตมืดลงไป ไม่าะฉะนัเราจะไปกังวลเมฆนี้มาได้เมฆนี้ก็ไปได้เราก็แค่รู้เท่านั้นเองว่าตอนนี้จิตมันมัวะที่จริงจิตไม่เคยมัวเลยเหมือนพระพิพัฒน์พระจันทร์ไม่เคยมืดมัวะเมฆมันมาบังนี่เมฆนี่เราห้ามมันไม่ได้มันจะมามันก็มาะเวลามันมืดไปเนี่ยไม่ต้องดิ้นรนเดี๋ยวเมฆมันก็ไปเองเพราอฉะนนเวลาใจเรามืดมัวเนี่ยเราก็แค่รู้แค่เห็น นะตอนนี้มันมืดนะแล้วใจเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบใจเราสงสัยว่าควรจะทำยังไงดีรู้ว่าสงสัยเห็นไหมว่าเราสามารถดูจิตใจทำงานได้ทั้งๆ ท, ที่มัวๆนั่นะแหละเพราะฉะความมืดความมัวไม่เห็นเป็นปัญหาตรงไหนเลยรู้มันอย่างที่มันเป็นนะใจไม่ชอบรู้ไม่ชอบใจสงสัยว่าจะทำยังไงรู้ว่าสงสัยเนี่ยเราดูจิตของเราได้ตลอดนะ มันเหมือนพระจันทร์พระจันทร์ก็ยังเป็นพระจันทร์อยู่งั้นนะไม่ได้มืดไปเพราะเมฆหรอกเี็นแต่เรามองไม่เห็นดิฉันต้องการรู้ว่าฉันจ ะ, ะพัฒนาการปฏิบัติของดิฉันยังไงคะแล้วก็ฉัน <c oughs> ฉันอยากจะรู้ว่า <c oughs> อยากจะรวบรวมการปฏิบัติวิปัสสนาเข้ากับชีวิตการการ ป, ปฏิบัติสมาธิแบบเข้างเงียบะจะเข้างเงียบด้วยเหรอเขาเขียนว่า silence and illumination อ๋อจะเข้าไซเลนเป็นคนละเรื่องกันถ้าจะเข้าไซเลน น, นนั้นก็ฝึกสมาธิในรูปแบบ ฝึก น, น, นั้นจะเสียเวลานานนะมันจะเงียบแล้วมันก็เงียบอยู่แค่นั้นนะมันไม่เดินปัญญาหรอกอยี๋ไปให้ความสำคัญกับงานสนับสนุนงานหลักของเราคือการเจริญปัญญานะมันเหมือนอย่างเราตั้งบริษัทเนี่ยนะงานหลักของเราคือขายของให้ลูกค้างานสนับสนุนเช่นงานฝ่ายบุคคลงานอะไรงเงี้ย แทนที่เราจะพัฒนาคนขายของเพราะเป็นงานหลักใช่ไหมเราต้องพัฒนาคนที่ใช้ในงานหลักคนที่ค้าขายนะนี่เราแทนที่จะสนใจพัฒนาบุคลากรในสายงานหลักแล้วไปสนใจในสายงานรองเนี่ยงานบุคคลทำอย่างนี้งานโน้อนอย่างนี้ส่วนงานค้าขายไม่ทำเลยนะไม่ดีหรอกงั้นเจริญสติให้มากนะ อย่าไปเน้นที่เข้าเงียบถ้าเข้าเงียบแล้วจะเงียบจริงๆอนะเสียเวลานานเลยนะยมรู้สึกตัวไปรู้สึกไปเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจในปัจจุบันนี้ไปเรื่อยๆนะจิตใจในปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไร้ด้วยอย่างนี้บ่อยๆนะแต่ทุกวันก็แบ่งเวลาทำสมาธิไปเคยใช้สมาธิอะไรก็ใช้ไปเถอะ วิธีทําสมาธิให้จิตรวมเงียบๆ เ, เข้าไปนะมีเคล็ดลับก็คือหนึ่งต้องรู้จักเลือกอารมณ์กรรมฐานที่เราชอบอะใจมันชอบอยู่แล้วมีความสุขถ้าใจไม่มีความสุขนะยังไงก็ไม่สงบต้องเลือกอารมณ์ที่มีความสุขแล้วเวลาที่เลือกอารมณ์ที่มีความสุขเวลาเราจะไปรู้อารมณะนะ์นั้นเราต้องรู้ด้วยใจที่มีความสุขด้วยใช้ใจที่มีความสุขนะ ไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขและจิตจะสงบอย่างรวดเร็วเลยนันน่นเป็นเคล็ดลับในการที่จะทำสมาธิแบบสงบลึกๆคนนี้ฟุ้งเยอะเหรอเพิ่งหลุดไม่น่าเนละฟุ้งแล้วแหละหลวงพ่อชมว่าฟุ้งสร้นเยอะ <laughs> อาจารย์บอกว่าเพิ่งหลุดออกจากการเพ่ง เพราะอยงนั้นถูกต้องแล้วคนที่เพ่งไว้นานเนี่ยพอหลุดออกมามันจะฟุ้งมากกว่าคนธรรมดานะเพราะฉั้นเราอย่าพยายามฝึกกลับไปเพ่งอย่างเดิมนะพยายามฝึกมีสติอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยแล้วเราจะได้ก้าวต่อไปข้างหน้านะนี่หลวงพ่อปลารค ก, กับอาจารย์ว่าทําไมคนนี้มันฟุงน้งมากกว่านะอาจารย์บอกนี่เพิ่งหลุดจากการเพง่งนอะ งั้นดีแล้วนะมาเข้าคอรสรอบนี้เราหลุดจากการเพ่งได้การเพ่งทำให้เสียเวลาไม่มีประโยชน์อยากถามว่านอกจากการเพ่งแล้วมีจุดอ่อนอะไรบ้างไหมคะที่ควรจะระมัดระวังแล้วก็การปฏิบัติแบบไหนคะที่ดีที่สุดแบบที่ทำได้ดีที่สุด เพราะนเราเราดูใจของเราออกเราก็ดูใจไปวันนี้จิตใจสับสนดูจิตใจไม่ออกดูร่างกายมันทํางานนะของหนูดูได้ทั้งกายดูได้ทั้งใจนะจุดอ่อนคือช่างสงสัยนะอย่าสงสัยเยอะสงสัยเกิดขึ้นรู้ว่าสงสัยแล้วก็รู้ทันใจแล้วตัวที่ความสงสัยเกิดแล้วเราโวไปคิดหาคําตอบเนี่ยเรายิ่งฟุ้งซ่านมากกว่าเก่า ถ้าความสงสัยเกิดขึ้นรู้ว่าสงสัยนี่เราดูจิตแล้วเราจะเห็นว่าความสงสัยเกิดได้เองตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเองโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรนะเราก็จะเห็นว่าอารมณ์อย่างอื่นเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเช่นเดียวกับความสงสัยนี่เองอย่างนี้ดูไปอย่างนี้เรื่อยๆนะเราจะดูจิตชำนานขึ้นจุดที่ต้องต่อยอดก็คือการเจริญปัญญา ตอนนี้ใจมันหลุดออกมาจากโลกของความคิดได้บ้างแล้วละ่ะใจเริ่มมีสมาธิเริ่มรู้ตัวได้บ้างแล้วต่อไปเจริญปัญญานะดูจิตดูใจมันทำงานไปเรื่อยๆใจมันหนีไปคิดรู้ว่าห น, นีไปคิดเนะี้ยรู้บ่อยๆแล้วจะได้พัฒนาเร็วสมาธินะถ้าทำไม่เป็นนะถ้าติดสมาธิแล้วพอแก้ออกมาแล้วมันจะฟุ้งซ่าน คงมากกว่าคนธรรมดาเคยมีคุณยายท่านหนึ่งนะอายุแปดสิบเจ็ดมั้งเป็นู้สิครูบาอาจารย์เดียวกับหลวงพ่อเลยแล้วท่านมาถามบอกว่าท่านฟังสีดีหลวงพ่อแล้วรู้ว่าติดสมถะยังไม่ได้เดินปัญญาเลยจะเดินปัญญาได้ยังไงพอคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บจิตรวมเข้ามารูปเลยนะร่างกายหายไปโลกหายไปเลยเหลือแต่จิตดวงเดียวเลย เลได้ดวความรู้สึกอยู่่วงเดียวนิดเดียวนี่หลวงพ่อดูแล้วคุณยายเนี่ยติดสมาธิมาหกสิบกว่านปะีถ้าแก้ให้จิตจะฟุงงซ่านแบบมหาศาลกลัวว่าไม่มีเวลาพอนะเพราะอยุตั้งแปดสิบเจ็ดแล้วถ้าแก้ไม่ตกเราตายไปด้วยความฟุ้งซ่านเนะี่ยไม่ดีเลยเลยบอกคุณยายว่าปรับนิดนึง ทำสมาธินั่นแหละแต่อย่าให้ร่างกายหายไปให้มีร่างกายอยู่ตลอดเวลานั่งสมาธิจิตรวมก็ให้มีกายไว้บอกให้เดินไปช่องนี้นะแล้วพอมีกายเนี่ยพอตายเนี่ยจะไปเป็นพรมที่มีร่างกายเรียกว่ารูปประพรมแล้วพอภาษีอานมาตรัสรู้เนี่ยค่อยมาเรียนต่อต้องแบบนั้นเลยนะเนี่ยพวกติดสมาธิมากต้องรอพาษีอานแก้ไม่ไหว ถ้าแกออกมาเนี่ยนะจิตจะเละหมดเลย mm hmm. เพราอนเราอย่าไปสนใจทําสมาธิชนิดนิ่งเงียบเพ่งนิ่งๆอยู่เฉยๆนานๆ น, า น, นะไม่ดีเลยทําสมาธิเนี่ยทําเพื่อให้จิตใจมีเที่ยวมีแรงชุ่มชื่นเบิกบานมีกําลังแล้วเนี่ยเอาไปเจริญปัญญาเลยคล้ายๆเราชาติมือถือไว้อ่ะชาร์จแล้วก็ต้องเอามือถือไปใช้ ไม่ใช่ชาร์จแล้วก็ชาร์จไปเรื่อยๆไม่ได้ใช้สักทีเดี๋ยวก็แบตระเบิดหรอกนะเรื่องสมาธิก็เหมือนกันทำพอให้จิตใจชุ่มชื่นมีเรี่ยวมีแรงแล้วไปเดินปัญญางานหลักคือการเจริญปัญญานะว่าไงกลับหลวงพ่อครับขอดูหน้าหน่อยอ่าว่าไป ครับก็ดูจิตดูกายครับใช้ได้ก็มีอยู่วันหนึ่งกําลังร่างกายเดินไปห้องน้ําครับแล้วก็มันเหมือนกับจิตมันเข้าสมาธิอืเห็นจิตรู้กับเห็นความทุกข์ครับเป็นโคลาอันกันเ อ, อแล้วในวันนั้นทั้งวันนะครับมันเหมือนกับว่าความทุกข์มันเข้ามาไม่ถึงใจเลยแล้วก็ตกใจว้าเราเป็นอะไรทําไมความทุกข์เข้ามาไม่ถึงใจใจมันส่งสมาธิขึ้นมาอนะอย่าไปรักษาไว้นะ ปล่อยให้ใจมัน อ, ออกมากระทบกระทั่งกระเทือนนะอย่าไปอย่างนั้นมันค่ายๆหนีเข้าป้อมอชํานาลแล้วเข้าป้อมอยู่ได้อย่างนี้นะเป็นปีๆก็อยู่ได้มันจะไม่มีกิเลสโฟลให้ดูหรอกปล่อยให้มันออกมาทํางานนะแล้วที่ปฏิบัติอยู่ยังพอทําถูกอยู่ไหมครับถูกนะแต่ว่าอย่าไปรั้งจิตเอาไว้ให้มันนิ่ง หลวงพ่อครับแล้วก็อไอเสียงเพลงที่มันอยู่ในหัวนี่เราจะมันคืออะไรครับเราจะมันคือสัญญาอืรู้เฉยๆแก้ไม่ได้มันเป็นเวร เ, เป็นกรรมสัณห์เย็นไหมเวลามันร้องเพลงให้เราฟังมันชอบร้องประโยคเดียวครับ้องสั้นๆซ้ำๆทั้งวันทั้งคืนจนเราโมโหครับมันเป็นกรรมของเรานะอยากไปฟังแล้วประทับใจ ก็ยังยังตอนนี้ถูกไหมครับก็คือว่าร่างกายตื่นเต้นใจเป็นคนดูไงถูกแต่อย่าประความใจไว้นะอ๋ออันนี้ประครองอยู่ไหมครับประครองอ๋อลุกศึกไหมล่ะมันนิ่งกว่าความเป็นจริงอยู่นิดหนึ่งอ๋อครับดีนะหนุ่มเนีน่ยภาวนาถูกใจขยันนะอยากชีเก้เจยหละ่ะว่ามานมัสการค่ะหลวงพ่ อ, อส่งกันบ้านกับหลวงพ่อครั้งแรกค่ะ หนูเริ่มปฏิบัติตามแนวทางหลวงพ่อมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะหนูจะถามหลวงพ่อว่าหนูทําถูกไหมคะหนูเห็นกิเลสบ่อยไหมเห็นบ้างค่ะถ้าเห็นกิเลสได้ก็เรียกว่าปฏิบัติถูกนะเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเรายังมีกิเลสเยอะถ้าพอวนาแล้วไม่มีกิเลสโผล่ให้ดูเลยแั้งนัานทำผิดแน่นอนไปเพ่งเอาไว้ถ้าไม่ได้เพ่งกินนะกเลสเดี๋ยวก็โผล่เดี๋ยวก็โผล่ หนูจะถามอีกข้อหนึ่งค่ะของหนูเพ่งเยอะไปนิดนึงนะเพ่งนะคะอืหนูใช้วิธีการดูกายค่ะจิตมันถลําลงไปที่กาย อ, นะอย่างนั้นเรียกว่าเพ่งกายดูกายนะั้แค่รู้สึกจิตเป็นคนดูจิตไม่จมลงไปที่กายไม่ถลําลงในกายนะของหนูจิตไม่ยังถลําลงไปขอบคุณค่ะหลวงพ่อคนสุดท้ายแล้วนะ ใครได้ยินว่าคนสุดท้ายแล้วใจสว่างขึ้นบ้างอย่านึกว่าไม่รู้นะอยู่ที่ไหนนอกรหลวงพ่อตั้งแต่ไปเข้าโรงพยาบาลปีห้าเต้านะออกมาเนี่ยสายตาเสื่อมไปเยอะเลยเมื่อก่อนเนี้ยเห็นทั้งห้องนะเห็นถึงข้างนอกเลยนั่งข้างนอกประตูเนี้ยมองเห็นหมดนะ เดี๋ยวนี้เห็นได้ค้อนคอนห้องที่ขอดูตัวเนี่ยเพื่อดูพิกัดเท่านั้นแหละคล้ายๆกูเกิลอ้าว่าไปรราหน้าตายยังไงไม่เห็นแล้วอ้าว่าไปอ่าก็ช่วงนี้สังเกตไม<ป>่ตรงที่ร้องแห่เนี่ยมันเผลอไปมันเผลอไปคิดว่าเดี๋ยวจะพูดว่าไงดีม่นะ่ะเนียรู้ทันว่าใจมันหลงไปอย่างนะี้นะรู้ทันใจที่หลงบ่อยๆแล้วจะกินอ้าว่าไป มันสมาธิมันไม่พอแต่ว่าเดี๋ยวนี้นั่งสมาธิมันก็ไม่ได้นานนะคะนั่งเราก็แบบหลุดออกมาะคะ่ะไม่รู้จะทำงสงบหรือไม่สงบก็ช่างมันถึงเวลาเรานั่งถือว่าเรานั่งเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเป็นการปฏิบัติบูบชานะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างทำไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็สงบเองแหละถ้ามันไม่สงบแล้วเราก็เลิกไปเลยนะมันก็ไม่สงบทั้งชาติเลย อดทนา แ, แต่อย่านั่งเพื่อความสงบนะถือว่าเราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้ายันอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจไปทำไปเรื่อยๆจิตเราฟุ้งซ่านู่รู้จิตสงบกรู้จิตเป็นไงก็รู้ทำอย่างนั้นแล้วสมาธิก็ค่อยเกิดขึ้นทีหลังตอนนี้ก็คิดวนเวียนอยู่แต่เรื่องที่ ทะะแทนที่จะไปคิดอกุศลนนะก็พามันคิดพุดโทโธไปนะคิดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธธรรมโมสังโฆอะไรก็ไดะะนะ้หรือบริกรรมเมตตาคุนังอรหังเมตตาอย่างเงี้ยนะบริกรรมไปเรื่อยๆแทนที่จะปล่อยให้มันไปคิดอกุศลนะให้มันมาคิดอะไรที่เป็นกุศลไหมพยายามเข้านะ กิเลสไม่ปล่อยให้พวกเราหลุดพ้นง่ายๆหรอกแต่ละคนต้องอดทนต้องสู้ถ้าเราสู้นะวันหนึ่งเราก็ปลดแอกได้ก็ชนะได้ถ้าเราไม่สู้เราก็ต้องตกเป็นทาสของกิเลสตลอดไปงันพยายามอดทนพยายามต่อสู้เรียนรู้จิตใจเรียนรู้ร่างกายตัวเองวันใดที่รู้ความจริงของกายเราจะไม่ยึดถือกายแล้วเราจะไม่ทุกข์เพราะกาย วันใดเข้าใจความจริงของจิตใจเราจะไม่ยึดถือจิตใจแล้วเราจะไม่ทุกข์เพราะจิตใจอีกต่อไปแล้วเราก็จะไม่ทุกข์เพราะสิ่งใดในโลกอีกเราจะมีชีวิตที่เต็ไมไปด้วยความสุขความสงบใจโปร่งเบาสบายโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องรักษาฝึกเข้าน ะ, ะวันนี้หมดเวลาแนละ้วเตืนไปห้านาที